แล้วก็ขอโมทนากับพวกเราทั้งหลายนะตั้งใจในการที่จะสดับพระธรรมคําคสอนของพระพุทธมีพระภาคเจ้ากันโดยในครั้งนี้ก็ปารบในการศึกษาคําสอนของพระุทธเจ้าในเรื่องของอริยสัจ ท, ที่จริงการคุยการสนทนาในเรื่องของอริยสัจเนี่ยไปอยู่ในบรับสุดท้ายของสติปัฏฐานสูตรนีแต่ แต่ก็มีเหตุอะไรหลายๆอย่างนะผักดันให้เราท่านทั้งหลายจะต้องรีบมาต้องศึกษาไปก่อนเพื่อจะต้องสรุปลงอริยาศาสตร์ให้ได้ก็โด้วัตถุประสงค์ก็คือคงจะปรารถนาอยากจะรู้ความจริงเงินประเสริฐที่พระบรมศาสดาทรงตรัสรู้หนึ่งใช่ไหมถ้าบอกว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตัดสรตวอะไรเนี่ยสรุปกันที่เราศึกษามาตั้งแต่เด็กๆได้ซ้ําไปก็บอกว่าตัดสรตว์อริยสัจสี่ทั้งๆที่เราก็ไม่ค่อยรู้กันหรอกว่าอริย ส, สัจสี่นี่ยมันคืออะไรหมายถึงอะไรเป็นต้นเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ก็เลยต้องต้องมาศึกษาในเรื่องของอริยสัจทีนี้ในสัจาจทั้งสี่ประการเนี่ยนะ ถ้าดูจากความหมายหรือจากความจริงที่เราศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้า ก, ก็ต้องทําความเข้าใจในเรื่องของอริยสัตว์อริยสัตว์เนี่ยถ้าหากว่าโดยศัพท์การทําความเข้าใจเบื้องต้นจริงๆท่านก็จะมาแยกแยกแยะเ ก, ยกยียนในเรื่องของศัตว์ของศัพท์ตรงเนี้มาพิจารณาอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปรารถนาในการที่จะแทงตลอดอริยสัตว์คือแทงตลอดทุก สมุทัยนี่ลดแล้วมักนี่เนี่ยแต่ด้วยความปราถนาที่ต้องการจะแทงตลอดอริยสัตว์นั้นน่ยแบบยิ่งใหญ่ไม่ได้ปราถนาในการที่จะแทงตลอดอริยสัตว์หรือตัศลุอริยสัตว์เนี่ยตามบุคคลอื่นแต่ปราถนาที่จะคิดเองแล้วก็ตัศลุเองเนี่ยและไม่ใช่ประเภทที่คิดเองแล้วตัศลุเองแบบประเภทที่เป็นปัจเจกับพุทธาด้วย คือตัททุรุเบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่ปรารถนาประกาศอริยสัจให้กับบุคคลอื่นไม่ใช่อย่างนั้นแต่พระเจ้านั้นพระองค์ทรงปรารถนาเป็นสัมมาสัมโพที่ยังปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณทีนี้บุคคลที่จะปราถนาสัมมาสัมโพธิญาณ น, นี่ก็คือปรารถนาในการที่จะแทงตลอดอริยสัจด้วยแล้วก็ปรารถนาให้บุคคลอื่นนั้นแหะแทงตลอดอริยสัจตามตนเองด้วยฉะนั้นการปรารถนาการตั้งอัธยาศัยของพระบรมศาสดา ที่ท่านบำเพ็ญบา ร, รมีมาอย่างยาวไกลเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่น่าศรัทธาอย่างยิ่งโดยทั้ถามว่าบุคคลที่จะคิดอย่างนี้ได้นั้นไม่ใช่คิดแบบเป็นคนที่ไม่รู้ข้อมูลท่านต้องเก็บเกี่ยวข้อมูลอย่างดีว่าถ้าตนเองจะปรารถนาอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้ น, นจะโถมทับเข้ามานั้ น, นทั้งปัญหาและอุปสรรคตลอด ถ, ถึงสังสารวัฏอันยาวไกลที่ตนเองจะต้องประสบพบเจอนั้นคือต้องอะไร ฉะนั้นบุคคลที่จะคิดแบบยิ่งใหญ่ขนาดอย่างพระผู้มีพภาคเจ้าที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านเดินทางมาอย่างยาวไกลในการสั่งสมบา ร, รมีเนี่ยเป็นบุคคลที่หาได้ยากมากหลายๆท่านถ้าหากว่ารู้เส้นทางการเดินทางของพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์เนี่ยแค่ศึกษาดูแล้วก็เข่าอ่อนเอาอย่างปัญญาอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยบางทีคิดแล้วเนี่ยเกิดความกลัวเลยอะ กลัวต่อสังสารวัฏกลัวต่อวัตฏะที่มันกล่าจะแตกดับไปแต่ละใบแต่ละใบแล้วตนเองจะต้องมาหมุนเวียนในสังสารวัฏเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องความเจ็บปวดทั้งนั้นฉะนั้นธรรมพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าอริยสัจเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้านั้นน่ยทรงขับเน้นตลอดทุกอัตถุพยัญชนะคําสอนของพระบรมศาสดานั้นถ้าสรุปลงอริยสัจไม่ได้ ก็แปลว่าการศึกษาคําสอนนั้นยังไม่สามารถเข้าถึงจุดท่องแท้ของของความจริงของาศาสนาใช่ไหมและท่านเหล่านั้นจักบรรลุธรรมไม่ได้เช่นเราศึกษาในสติปัฏฐานเนี่ยให้สังเกตดูที่ว่าไม่ว่าจะเป็นอาณาปาณะบัปก็จะสรุปลงอริยสัจิยาบทบัปก็สรุปลงอริยสัจสัมปชัญญะบัปปฏิกูลมรณสิการบัปทาตุมนสิการบัปแล้วก็ป่าชาทั้ง9้าเวทนานุปสนา กิตานุปัฏนาและธรรมานุปัสสนาแม้ในบับสุดท้ายนะสัจจบัพพะท่านก็มาสแสดงเขาไว้นั้นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอก ก, การที่ว่าจะต้องสรุปลงอริยสัจให้ได้ฉะนั้นคําสอนที่พระเจ้าทรงสแสดงเนะีทุกสูตรเป็นอย่างนี้หมดอันนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกว่าเป็นจุดสําคัญของาศาสนาที่จะต้องสรุปลงในอริยสัจเป็นต้นให้ได้คนเข้าใจสัจจะไม่ได้ก็ไม่คู่ควรต่อการบรรลุทุกระดับ เราท่านทั้งหลายที่เราได้มีโอกาสในการเดินตามร่องรอยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ใช้คําว่ารีบเร่งและรีบสรุปลงเดียวนี่ก็ก็เป็นเรื่องที่เหมาะเพราะจริงๆแล้วเราจะต้องมาผ่านในการเรียนรู้อริยสัจกันหลายร้อยหลายล้านรอบในสังสารวัตที่ผ่านมานั้นเน่ยเป็นเรื่องที่แปลกมากอริยสัจเนี่ยสัจจคือความจริงคือทุกขสัจกับสมุทัยสัจเนี่ยสัจโลกเกี่ยวข้องมีตลอดเวลาเลยเนะ แต่สัตว์โลกเนะี่ยไม่รู้มารคสัตว์แล้วก็ไม่รู้นิโรธาสัตว์ตรงนี้ในความหมายเนี่ยนะพอเราพอจะเริ่มมองเห็นลู่ทางในการที่เรามีความจําเป็นในการที่จะศึกษาอริยสัตว์แล้วเนี่ยนะในคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เนะี่ยพระอริยทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าพาระปเจกับพรุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนะี่ยพระองค์ก็แทงตลอดสัจจทั้งหลายเหล่านั้นตรงนี้นะในคําสอนตรงนี้ท่านบอกว่า เหล่าพระอริยะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมแทงตลอดสัจจานั้นดังนั้นสัจจานั้นจึงชื่อว่าอริยสัจเพราะอะไรเพราะเป็นสัจจะที่พระอริยะพึงแทงตลอดจึงชื่อว่าอริยสัจจึงชื่อว่าอริยสัจที่ในคําสอนท่านใช้คําว่ายัสหมาปเนตานี้พุทธาทยอริยาปฏิวิชันติฉะนั้นก็คําว่าปฏิวิช ตับาาพระศัพ์นั่นเองก็หมายความบอกว่าเราพระอริยทั้งหลายเนีนะ่คือพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนะ่เวลาท่านจะแทงตลอดท่านจะแทงตลอดอริยสัจพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็แทงตลอดอริยสัจสาวกของพระพุทธเจ้าทุกระดับก็แทงตลอดอริยสัจเราท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราปรารถนาปรารถนาต้องการอยากจะเป็นหนึ่งในรัตนไตรใช่ต้องการที่จะ ุกหรือว่าผักดันตัวเองให้เข้าไปเป็นหนึ่งให้ได้ในรัตนาไตรนั้นจะเป็นพุทธรัตนาเพิกแทงตลอดธรรมรัตนาหรือเป็นสังครัตนาไม่ er. ว่าจะพุทธรัตนาธรรมรัตนาสังครัตนาก็คือสภาวะที่ดับทุกใช่ไหมสภาวะที่ดับทุกถ้าเราเข้าถึงรัตนาไม่ได้แล้วก็ดับทุกไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าปรารถนาอย่างนั้นเบ็ดเสร็จเนี่ย เราผ้าริยะมีพระเจ้าเป็นต้นน่ยท่านแทงตลอดอะไรแทงตลอดอริยสัต์ฉะนั้นถ้าจะเป็นสังขรัตนานี่นะจะเป็นสาวกของพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็แล้วแต่ถ้าจะเป็นผ้าริยะเนี่ยท่านทั้งหลายผ้าริยะไม่ได้ไปแทงตลอดอยืางาอื่นาริยะนั้นต้องแทงตลอดอริยสัต์คือความจริงของผาริยะเนี่ยนะตรงนี้ท่านถึงตัดเรียกว่าอริยสัต์ทั้งหลายที่ท่านใช้คําบอกว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แหละอริยสัจจะทั้ง4ี่ประการ4ประการเหล่านี้อริยสัจสีประการเป็นชไหนนี่แหละทุกข์ขะอริยสัจจะทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขะนิโรธอริยสัจและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจดูก่อนพิกษุทั้งหลายอริยสัจจะทั้ง4ี่ประการเหล่านี้แลภระรยาทั้งหลายย่อมแทงตลอดซึ่งอริยสัจจะทั้งหลายเหล่านี้เพราะเหตุนั้น เราจึงเรียกว่าอริยสัจจ์ทั้งหลายสัจจ์ทั้งหลายของผ้าอริยะพึงแทงตลอดใช่ไหมผ้าอริยทั้งหลายเนี่ยพึ ง, พงจะแทงตลอดอันนั้นใน ม, มุมแรกส่วนอีกมุมหนึง่งอีกในหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอริยสัจก็คือสัจจ์ของพระตถาคตผู้เป็นผ้าอริยะพระตถาคตหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้เป็นผ้า อ, อ, อริยะเพราะพระอริยสัจเพราะอริยสัจนั้นน่ะเป็นสัจจ์ของพระตถาคตเนื่องจาก เป็นสิ่งที่พระ อ, องค์ทรงตัดสรุปเองเมื่อพระ อ, องค์ทรงตัดสรุปเองแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงสั่งสอนและบุคคลอื่นก็พึงได้จากได้รู้ได้ตัดสรุปจากการที่พระ อ, องค์ทรงประกาศทรงสั่งสอนนั้นฉะนั้นอริยสัจในมุมนี้จึงเป็นสัจจะของพระธรรมคตเป็นสัจจะของพระพุทธเจ้าเป็นสัจจะเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนะี่ยสัจจะที่ที่ทำให้สําเร็จ หรือเป็นสัจจคของพระตถาคตผู้เป็นพระพรยาพระรยะสัจจานั้นเป็นสัจจของพระตถาคตเนื่องจากอะไรเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตัดสู้ได้ด้วยดวยตนเองและตัดสู้แล้วเสร็จพระองค์ก็สั่งสอนหรือประกาศเปิดเผยใช่ไหมทําให้แจ้งทําให้แจ้งบางทีท่านก็ใช้คําว่าทรงประกาศด้วยเปิดเผยด้วยทําให้ตื้นด้วยปกติในสัจจานี้ลึกลึกทุกสัจจทั้งทุกขสัจจ ทั้งสมุทัยสัจจะทั้งนิโรธาสัจจะและมรรคสัจจะเป็นอัตถะที่ลึกแต่สิ่งที่ลึกเนี่ยพระ อ, องค์ก็มาเปิดเผยมาทําให้แจ้งแล้วก็ทําให้ตื้นใช่ไหมถ้าไม่มีอย่างระดับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาเปิดผเผยเบ็เสร็จก็เราท่านทั้งหลายก็หมดโอกาสที่จะรู้สัจจะคือความจรงิงเงี้นี้เราอยู่กับสัจจะอันนี้แหละทุกข์กับสมุทัยเนี่ยแต่เราไม่ไม่เคยรอบรู้แล้วเลยไม่เคย ไม่เคยเข้าใจว่าเราจะต้องละอย่างไงเป็นต้นอีกอย่างหนึง่งถ้ า, าสัจจะในลักษณะอย่างนี้นั่นเทวบอกว่าอริยสัจจะทั้งหลายเพราะอาจจะว่าเป็นสัจจะของพัทริยะดังที่ได้กล่าวเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายต ถ, ถาคตเป็นอริยในหมู่สัตว์ของเทวดาและมนุษย์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกและพรห ม, มโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเรียกว่าสัจจะทั้งหลาย อันนี้หมายความว่าสัจจะที่ของพระตถาคตอีกความหมายหนึ่งนะอริยสัจคือสัจจะที่ทําให้สําเร็จเป็นพระอริยะเพราะสําเร็จเป็นพระอริยะได้เนื่องจากยังเห็นอริยสัจนั้นแล้วอันนี้หมายถึงว่าเป็นสัจจะที่ทําให้สําเร็จเป็นพระอริยะก็หมายความว่าพระอริยะทั้งหลายเนี่ยท่านได้ยังเห็นสัจจะทั้งสี่ประการแล้วเนท่านจึงได้เป็นพระอริยะอีกความหมายหนึ่งสัจจะนี่นี่ย อริยสัจเนี่ยคือสัจจะที่ควรรู้เพราะเป็นสภาวะที่ควรยั่งรู้โดยไม่แปรปรวนตรงนี้ท่านก็เลยให้ไว้สามความหมายแบบยอ่อๆในสามความหมายก็คือว่าเออสี่ความหมายนะสัจจะมีสี่ประการเนี่ยนะให้ไว้สี่ความหมายแบบย่อ ๆ, ๆเขาไว้เนี่ยนะเออในสี่ความหมายเนี่ยก็หมายความว่าสัจจะที่พัลยะพึงแทงตลอด นี่ความหมายแรกความหมายที่สองก็คือเป็นสัจจะของพระธรรคตผู้เป็นภาริยะในความหมายที่สมก็คือว่าสัจจะที่ทําให้สําเร็จเป็นภาริยะส่วนในความหมายที่สก็คือสัจจะที่ควรยังรู้ควรรอบรู้นี่ย น, นี่สี่ความหมายสัจจะที่ภาริยะพึงแทงตลอดนั้นมาจากคาว่าอาริยะปฏิวิตร ชิดตับพังสัจจังอริยสัจจังเนี่ยนะส่วนสัจจะของพระตถาคตผู้เป็นพระอริยมาจากคาว่าอริยสัสสัจจังอริยสัจจังนี่ยสัจจะที่ทําให้สําเร็จเป็นพระอริยะก็มาจากคาว่าอริยสาธกังสัจจังอริยสัจจังส่วนสัจจะที่ควรอย่างรู้คืออริยสัจจังอริยสัจจังนี้ท่านก็แยกเป็นตามภาษาบาลีที่ท่านแยกไว้ ให้ให้ความหมายของสัจจะไว้4ประการแต่ในสประการก็ไล่ไปตามลำดับดังที่ได้กล่าวก็คือในความหมายอริยสัจจ์ทั้งหลายราะอา จ, จว่าเป็นสัจจะทั้งหลายอันเบรเิฉะนั้นอริยานี้เพราะอา จ, จว่าเป็นของแท้จริงเป็นของที่แท้จริงเป็นของไม่ไม่ผิดอวิธานี้ไม่ผิด คือไม่เป็นของคาดเคลื่อนเหมือนอย่างที่ตรัสบอกว่าอิมาณิโขภิกเวจัตริอริยส จ, จานิตตาาาถานิอวิฏฐานิอนัญญถานิตสมาอริยสัจานิติวัจจันติ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจจทั้งสเหล่านี้เป็นของแท้จริงเป็นของไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอริยสัจทั้งหลายสัจจะทั้งหลายอันเปรืเสื้อ ตรงนี้ก็ท่านก็เลยให้ความหมายเขาไว้ตรงนี้ก็คือความหมายตรงนี้ก็ทำความเข้าใจในในในชั้นความเข้าใจอย่างนี้เนาะทีนี้ประเด็นเนี่ยนะประเด็นความหมายที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจก็คือนี่นีเป็นสัจจะเป็นความจริงแล้วทีนี้ในครั้งนี้ก็คือเมื่อเราได้ศึกษาเกี่ยนเรื่องของอริยศาส์อย่างเนี้ยประเด็นต่างๆที่จะต้องเข้าใจก็คือประเภทของลักษณะ ประเภทของลักษณะน่ะทุกทุกขลาทุกขสัจจะมีอัตวะเบียดเบียนเป็นต้นแล้วเนี่ยนะเจ้ามีการเบียดเบียนเป็นลักษณะมีความทําให้เล่าร้อนเป็นลดนี่นะมีความเป็นไปมีความเป็นไปเป็นปัจจุบันเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นอัตของทุกขสัจเดี๋ยวเราจะไปขยายและทําความเข้าใจส่วนสมุทยสัจจะก็เป็นเหตุนะเป็นเหตุเป็นแดนเกิดเป็นลักษณะมีการกระทําเข้าไปตัด เ้าไปตัดรัศนะเนี่ยนะมีการกระทําไม่เข้าไปตัดรัศนะเนี่ยเป็นเป็นกิจไปแล้วก็มีการพัวพันเป็นปัจจุบันส่วนนิโรธาสัจจะก็คือมีความสงบเป็นลักษณะสันติรัคนังนี่นะมีการไม่จุติเนี่ยเป็นรัศนะเป็นกิจแล้วก็มีการไม่มีนิมิตเป็นปัจจุบันฐานเป็นอาการปรากฏมรรคสัตว์ก็มีการนําออกเป็นลักษณะมีการประหารกิเลสเป็นกิจแล้วก็มีการออกไปเป็นปัจจุบันอันนี้ก็ทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะ ตรงนี้ก็มาทำความเข้าใจในเรื่องคาว่าอัดของสัจจะเป็นต้นเรานเนี้ยเนี่ยตรงนี้ก็เดี๋ยวดูความหมายตรงนี้ถ้าหากเรามาพูดกันแบบมุมมุมย่อๆก่อนเห็นไมไม่ใช่มุมแบบกว้างขวางถ้ามุมอย่างลักษณะอย่างย่อๆก่อนก็คือว่าในคำสอนของพระพู้มีพระภาคเจ้าเนี่ย เราจะเห็นในลักษณะที่พระองค์ทรงแสดงค่อนข้างที่จะ จ, จากหลายมุมที่แสดงให้เห็นในลักษณะที่ว่าหลายมุมเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ว่าโดยเฉพาะว่ากรณีของอริยสัจเนี่ยถ้ามาพิจารณาเพื่อจะให้เห็นความจริงของสัจจะ ต, ตรงนี้นะในชั้นของการเดินเดินมุมในครั้งแรกก่อนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นน่ะ เข้าใจความจริงในการที่จะศึกษาในคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ชัดขึ้นนะสักครูพูดถึงในเรื่องของทุกข์ขัดที่มีอัตว่าสังขตตโถเป็นต้นนะ่ะมีอัตว่ามีปัจจัยประชุมปรุงแต่งการหนึ่งแนละ ส, สันตาปโถก็มีอัตว่าเดือดร้อนเนะี่ยวิปริณา ม, มากก็มีอัตว่าแปรปรวนเนี่นะทีนี้ถ้าหากเรามาพิจารณาเกี่ยวในเรื่องของทุกขนะ์เนาะ แล้วก็สมุ ท, ทยัยแล้วก็นิโรธแล้วก็มรรคเป็นต้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามตามดูอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกัเรื่องตรงเนี้ยแต่ต้องการให้เราทําความเข้าใจเกี่ยวในเรื่องของความทุกข์เนาะความทุกข์ที่เราท่านทั้งหลายจะต้องมาพิจารณาเนี่ยพิจารณาอย่างไงบอกพิจารณาเพื่อเห็นความจริงว่าเออไอความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเราท่านทั้งหลายเนี่ยอืนเป็นยังไงตรงนี้ท่านย่อไว้ก่อนแล้วจะขยายสับในอีกทีหนึ่ง ในช่วงเวลาประมาณชั่วโมงก็คือว่าในความหมายคําว่าทุกเนี่ยนะในคําว่าทุก ข, ขงังเนี่ยทุก ข, ขงนะังเนี่ยมีความหมายว่าหน้าหน้ารังเกียจหรือทุกทุกอักษรหรืออักขระนั้ น, น, นก็แปลว่าพึงเกลียดหรือน่ารังเกียจเนี่ยนะคือเป็นที่ตั้งของอันตรายอย่างมากมา ย, ยท่านจึงเรียกว่าทุกทุก ข, ขังเนี่ยนะ ตรงนี้ท่านก็ยกตัวอย่างชาวโรกเรียกบุตรที่น่ารังเกียจว่าทุบบุตโตแบลวบุตรชั่วหรือบางแห่งท่านใช้คําว่าทุรปุตโตเนี่ยอันนี้ทุบทุบบุตโตแต่บุตรชั่วใช่ไหมส่วนนอกขังเนี่ยศัพท์เนี่ยนะมีความหมายว่าว่างป่าเพราะชาวโรกเรียกท้องฟ้าที่ว่างปล่าว่าขังขังแปลว่าท้องฟ้าแปลว่าท้องฟ้าหรือคําว่าขังปุบผังเนี่ยแปลว่าดอกฟ้า มีอยู่จริงไหมดอกฟ้ามีจริงดอกฟ้าคกอะไรไม่รู้จริงๆดอกฟ้าไม่มีจริงอ่ะมันว่างใช่ไหมเ พ, พราะเพราะฟ้ามันก็ไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีอะไรต่างๆรงนี้ใช่ไมมันก็ว่างเงี้ยและดอกมันเป็นไงศูนยะ์เปล่านะ ทีนี้กรณีในลักษณะอย่อริยสัจข้อแรกเนี่ยเป็นที่น่ารังเกียจเพราะเป็นบ่อกเกิดของอุปทวะพยานอันตรายต่างๆถามว่าพยานอันตรายต่างๆเนี่ยมีเยอะไหมนะพยานอันตรายต่างๆเนี่ยถ้าต้องการอย่างแทรทราบว่าพยานอันตรายต่างๆเนี่ยถ้าในความหมายของกัปิวสุติมรักเนี่ยท่านเอาทุกสี่สิบสองมาขยายทุกสี่สิอย่างนี้มาขยายอย่งนเนี่ยอันนั้นไม่ต้องพูดถึงทุกภัยภั ย, ยภายนอกในนี่พุกภายในที่ท่านแยก ที่จริงคําว่าทุกเนี่ยอริยศาสตร์ข้อแรกที่น่ารังเกียจเพราะเป็นบ่อกเกิดของอุปัตวะอันตรายทั้งหลายเป็นสินที่ว่างเป่าเพราะไม่มีความเที่ยงความสวยงามความสุขความเป็นตัวเป็นตนเนะที่พวกคนเขาหรือคนพานเนี่ยเขาตำลนิขึ้นคนเขาหรือคนโง่ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ตำหนิบอกว่าสุขเนี่ยมีอยู่จริงความเที่ยงเนี่ยมีอยู่จริงใช่ไหมแล้วก็ความงามเนี่ยมีอยู่จริง ความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมีอยู่จริงคนพาลทั้งหลายเขาดําหลี่อย่างนั้นแหละแท้ที่จริงเนะี่ยคำว่าแปลว่าน่าเกลียดด้วยแล้วก็ว่างเปล่าด้วยเนี่ยนะก็คือว่าเปล่าจากอะไรศูนย์จากอะไรเปล่าจากของเที่ยงแท้ที่มั่นคงศูนย์เปล่าจากความงามจากความดีแล้วก็ศูนย์เปล่าจากสิ่งที่เป็นสุขลักษณะอย่างนี้นะภาลชนคนที่ขาดปัญญาหรือคนที่หาปัญญาไม่ได้ก็ดําหลี่ว่าเที่ยง ดำลิว่างามดำลิว่าสุขแล้วก็ดำลิว่าเป็นตัวเป็นตนที่จริงแล้วอันภริรยาเจ้าทั้งหลายท่านสำคัญว่าท่านสำคัญด้วยสัญญาว่าพึงเกลียดพระรยาท่านหลายท่านสำคัญด้วยสัญญาณพึงเกลียดพึงรังเกียจเ <_ t une> พราะอะไรถึงรังเกียจทุกพระรยาเจ้าทั้งหลายท่านบอกเป็นที่ตั้งของอุปัวะโดยแท้โดยประการต่างๆถามว่าเป็นที่ตั้งของทุกเนี่ยเพราะอะไร พอทุกเนี้ถ้าไม่เบียดเบียนสัตว์ในการใดนสัตว์ทั้งปวงก็จะไม่มีความลำบากในเวทนาในการนั้นใช่เราท่านทั้งหลายเนี่ยเมื่อเกิดกันมาเนี่ยนะมาเป็นสัตว์มามีชีวิตมาเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นเนี่ยกรณีที่เราท่านทั้งหลายหลีกหนีจากกองทุกขอันนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะพ้นไปได้จึงต้องเวียนวนท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอย่างยาวไกลอย่างยาวนาน กลับไปกลับมาในสิ้นกาลชานา น, นับชาตินับภพบไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะทุกนั่นแหละที่ติดตามเบียดเบียนอยู่ทุกๆชาติไปไม่มีชาติไหนเลยไม่มีปฏิสนที่เป็นต้นไหนเลยเนี่ยที่จะไม่มีความทุกข์นั้นคอยเบียดเบียน บ, บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาในลักษณะอย่างเนี้ยท่านจึงบอกว่ามันคนพาณเท่านั้นที่ดำริหวังไปในอนาคต ว่าจะได้รับความสุขมันจะดีขึ้นแต่คนที่มีปัญญาทั้งหลายที่เขาเข้าใจความจริงของสังสารวัฏอย่างพระอริยะทั้งหลายเนี่ยท่านมีความสําคัญถูกทำสําคัญว่าพึงรังเกียจเพราะเป็นที่ตั้งของอุปปัฏวะพยันอันตรายต่างๆมากมายนักกว่าเนั้ยนั้นทำอภิจารณาอย่างนี้ยก็จะเห็นทันทีบอกว่าทุกต่างๆเนี่ยถามว่าถ้าจะเบียดเบียนทุกนั้นก็เบียดเบียนใคร นภาธักังทุกขังเนี่ยถ้าไม่เบียดเบียนสัตว์ในการใดสัตว์ทั้งปวงก็จะไม่ลาบากเพราะทุกข์กทู้เพราะวิปริณามะทุกขเพราะสังขาระทุกข์ใช่ไหมแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่แท้ที่จริงทุกเหล่านี้ก็เบียดเบียนเราท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นชีวิตเป็นหญิงเป็นชายเนะหลีกหนีชาติทุกขชราทุกขพยาธิทุกขมรณะทุกขเป็นต้นเนี่ยไม่พ้นก็เวียนวนท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏกลับไปกลับมาสิ้นกาลชาตินานเน่ย เนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยเวียนไปเวียนกลับกันมาเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านล้านรอบเนี่ยแต่มันไม่มีปัญญาในการที่จะออกจากทุกข์ในสุดจริงๆเราไปชื่นชมอ่ะชื่นชมทุกข์อ่ะไปยินดีในทุกข์เนี่ยไปเพลิดเพลินในทุกข์เนี่ยแล้วก็ในสุจจริงๆก็ไปเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นของที่ดีและเป็นของที่เราควรจะตั้งความหวังไว้กับทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันใช่ความหวังนี่นะมันตัวทุกข์ใช่ไหม นี่เราก็ไปตั้งความหวังด้วยตัณหาบ้างด้วยมานะบ้างด้วยทิฏฐิบ้างในคําสอนตรงนี้ท่านจึงบอกในทุกมาจากคาว่าทุศัพบขังเน่ยขานั่นก็ขาศับก็ที่ท่านวิเคราะห์เนี่ยคําว่ากุจฉิตังทุกกุจฉิตังขังทุกขังทุกคือสภาพว่างเปล่าและน่ารังเกียจนี่ทางกระแยกครับกุจฉิตะเนี่ยแปลว่าน่ารังเกียจขาศับนั้นมีความหมายว่าตุจฉะแปลวาป่าว่วางเปล่าว่างเปล่าในที่นั้นคือไร้แก่นสาร ปราศจากแกนสารไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารด้วยไม่มีแก่นสารด้วยปราศจากแก่นสารด้วยอะไรไรแก่นสารอะไรไม่มีแก่นสารอะไรอะไรอะไรปราศจากแก่นสารไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแกนสารอะไรเลยก็มาพิจารณาดูที่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก หรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจักขูวิญญาณซะแต่วิญญาณก็ไล่ไปเหอะคันห้าญาตนาแล้วก็ธาตุที่มันหมุนไปอยู่เนี่ยไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศ จ, จากแก่นสารไม่มีแก่นสารของความงามอยู่ในนั้นไม่มีแก่นสารของความสุขอยู่ในที่นั้นไม่มีแก่นสารของความเที่ยงอยู่ในนั้นไม่มีแก่นสารของความเป็นตัวเป็นตนอยู่ในที่นั้นใช่ไหมแก่นสารของความยั่งยืนก็ไม่มีไม่มีหรอก ท่านก็เลยบอกว่าเหมือนอะไรต้นอ้อไม่มีแก่นไร้แก่นปราศจากแก่นใช่ไหมต้นท้องหลางไม่มีแก่นไร้แก่นปราศจากแก่นหรือต้นกล้วยไม่มีแก่นไงไร้แก่นปราศจากแก่นตอมน้ำไร้แก่นไม่มีแก่นปราศจากแก่นฟองน้ำเห็นไหมฟองน้ําก็ไม่มีแก่นไร้แก่นก็ปราศจากแก่นแล้วก็ฟองน้ําตอมน้ําไม่มีหมดหมดหมดเสร็จเลย ต้นกล้วยใช่ไหมพยับแดดตลอดถึงนักมายากลไม่มีแก่นไรแก่นปราศจากแก่นเป็นต้นเนี้ยมันไม่มีแกนสารอย่างนั้นแหละแล้วก็มาพิจารณาอย่างนี้ว่าโอ้เรามาอยู่ในสิ่งที่มันไม่มีแกนใช่ไหยไร้แก่นแล้วก็ปราศจากแก่นถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็ถึงบอกว่าในความหมายที่บอกอริยสัจข้อแรกที่บอกทุกเนี่ยบอกโอ้เป็นสัจจะที่พระริยาเจ้าพึงเสพจริงๆนะพวกนั้นนะเพราะอะไรเพราะว่า ปปาทานคันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นไร้แก่นปราศจากแก่นจึงน่ารังเกียจเพราะมันว่างว่างจากแก่นไร้แก่นปราศจากแก่นฉะนั้นอริยะจึงทุกข้อแรกที่เป็นอริยาศาสตร์เพราะเป็นสัจจะที่พระอริยเจ้าพึงแทงตลอดเป็นสัจจะของพระตถาคตผู้เป็นพระอริยะเป็นสัจจะที่ทําให้สําเร็จเป็นพระอริยะเป็นสัจจะพึงอย่างรู้พึงรอบรู้อยู่มะลำดับแรกก็มาพิจารณาเลย ในคําสอนที่พระเจ้าตัดวิชัดชนาไว้ในธรรมจักรหรือในคําสอนต่างๆที่ท่านใช้คําว่าเกเทศตุกัมยาตาพุจฉาที่บอกว่าตัดถกตมาชาติชาติปีทุขขาชร า, าปีทุขขาพยาติปิดทุกขโเป็นโตเนี่ยมรนามปิดุขกขังโสกัสปริเดวทุกขโทมานัสสุปาญาสาปีดุขขาอภิเยหีสัมเบโยโคลุกโคภิเยหีวิเบโยโคทุ โ, โ ค, โคยามปิดฉังในระปติตามปิดุกขังสังคิเตนะ ปัญญาภาธานาคณาดูขานนิที่แปลโดยนิเทศเน่ยดูกรพิสูจน์ทั้งหลายกองทุกทุกที่ตถาคตเทศนาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องถูกเบียดเบียนทําให้ลําบากอยู่เนืองๆไม่เว้นวายเนี่ยก็จะแก่สิ่งที่เบียดเบียนสัตว์ให้ลําบากอยู่นั้นเนี่ยดูกรพิสูจน์ทั้งหลายก็คือกองทุกสิบสมกองนี่แหละ ว, ว่างั้นนะกองทุกสิบสากองก็คือชาติทุกเน่ยกองหนง ชราทุกเนี่กองหนึ aqu, ่งพญาธิ val, ic, Mul, AD, Patreon, ท so well ุกกองหนึ่งบรณะทุกกองหนึ่งโสกะทุกกองหนึ่งปริเทวทุกอีกกองหนึ่งทุกขทุกกองหนึ่งภมินัสทุกอีกกองหนึ่งอุปายาสทุกกองหนึ่งอภิเยหีสัมปโยคทุกเนี่ยกองหนึ่งบิเยหิวิปโยคทุกอีกกองหนึ่งยามปิดฉังนราปฏิตามปิดทุกข์อีกกองหนึ่งปัญจุปาทานะขันดาทุกขายกองหนึ่งรวมเป็นสิบสามกองเลยนี่แยกอย่างนี้เป็นสิบสามกองลำดับแรก ท่านพูดถึงในเรื่องของโดยย่อนะโดยย่อยๆก่อนนะมองไปมุมหนึ่งก่อนเนะี่ยท่านพูดถึงในเรื่องของชาติชาติปิทุกขาการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยเพื่อแสดงอะไรเพื่อต้องการแสดงทุกขสัตว์ชาติคือความเกิดเป็นทุกข์เนี่ยทีนี้ในดําหลัดว่าคำว่าชาติเนี่ยที่จริงความหมายคาว่าชาติชาติมีความหมายเยอะพบก็เรียกว่าชาติเหมือนกันนะที่มาจากคาว่า เอกัมปิชาติงตเวปิชาติโยเราละลึกชาติได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติสามชาติเป็นต้นเนี่ยอันนั้นก็คือเรียกว่าชาติพบเนี่ยเปชื่อของชาติละลึกได้แต่ละพบแต่ละพบเนี่ยนีนี่ก็คือชาติละลึกชาติได้ลักษณะอย่างนี้ก็คือชาติแปลงหมู่ก็ได้อัตถิวิสาเขนิคันถานามสมณะชาติดูก่อนวิสาขาสมณะชาติหมู่สมณะนิ ชื่อว่านิคนมีอยู่สมณาชาติชาติแ้ก็แปลว่าชาติเนี่ยแต่ว่าในความหมายสาบที่ท่านขยายให้ดูทีนี้ลักษณะที่ปรุงแต่งลักษณะที่ปรุงแต่งก็เรียกว่าชาติชาติทวีหิขันเทหิสังขหิตาเนี่ยชาติก็นับเข้าในขันสังขารละขันเป็นด้วยขันที่ปรุงแต่งนี่นะอีกอย่างหนึ่งก็คือ คำว่สัมปติชาโตอนันทโพธิสโตดูก่อนอนนนโพธิสัตว์ผู้ประสูติแล้วในปัจจุบันถึงพร้อมแล้วประสูติแล้วอันนี้เป็นเรื่องชาติเหมือนกันใช่ไหมชาติตระกูลก็ได้กล่าวถึงว่าไม่ถูกคัดค้านว่าร้ายโดยชาติโดยโคตเนี่ยนะแต่ชาติในที่นี้หมายถึงขันของผู้อยู่ในคันของมารดาเนี่ยแหละที่เรียกว่าอะไรข้าพเสรยากะศขเสรยาก า, าศา ก, าก็นับตั้งแต่การ ถือปฏิสนทิตั้งแต่ปฏิสนทิข้อจากคารมดาและยังหมายถึงปฏิสนทิจิตเท่านั้นก็เรียกว่าชาติเป็นต้นด้วยนะนะคือปฏิสนทิของพวกอันทชะสังเสทะชะแล้วก็โอภาติกะตรงนี้ก็มาพิจารณาเนะว่าในกรณีที่เป็นชาติโดยตรงไงนะที่บอกว่า ถำมาพิจารณาในลักษณะปฏิสนธิในกำเนิดทั้งสี่โดยเฉพาะก็คือว่าพวกกลุ่มเราท่านทั้งหลายเป็นค้าพระเศยยกาณนะค้าพระเศยยกาสัตว์เป็นสัตว์ที่เกิดอยู่ในครรนทีนี้ท่านก็เล่าท่านก็ขยายแล้วแต่เนี้ยในคำสอนทั้งหลายจะขยายในเรื่ององชาติคือการเกิดตั้งแต่ในครรนว่าเป็นทุกข์ยังไงท่านก็ไล่มาตามลาดับที่บอกว่า กลุ่มในลักษณะของอันทชาปฏิสนธิในไข่เนี่ยในฟองไข่ชราพุชชาปฏิสนธิในคันหรือว่าขราพเษิกาแห่งมารดาเหมือนอย่างเราท่านทั้งหลายสังเสทชาก็คือปฏิสนธิในเท่าไข่ในเหงือไข่ตักะแตนหรือว่าเหลือบยุงเป็นต้นอุปาติกาก็คือว่าพวกเทวดาเป็นต้นเหล่านี้เนีทีนี้พอปฏิสนธิในลักษณะอย่างเนี้ยท่านถึงบอกว่าทุก ที่จริงพอพูดถึงในเรื่องของทุกข์เนี่ยท่านจะจับประเด็นทุกข์สามประการมาที่บอกพูดในเรื่องของทุกข์กระทุกวิปริณามะทุกข์แล้วก็สังขาระทุกข์ถ้าพูดถึงในเรื่องของทุกข์กระทุกวิปริณามะทุกข์สังขาระทุกข์เนี่ยนะอันดับแรกท่านพูดถึงในเรื่องของทุกข์กระทุกคือทุกข์ทางกายแล้วก็ทุกข์ทางใจเพราะเป็นทุกข์โดยสภาวะที่เรียกว่ากายยิกะทุกแล้วก็เจตสิกระทุกเนี่ยกเวทนาเนี่ยนะ ที่จริงเวลาท่านพูดถึงในเรื่องของคำว่าทุกเนี่ยที่บอกว่าเราท่านทั้งหลายเวลาเกิดมาเนี่ย